วันที่14กรกฎาคม2507นวันตปาบันตาดจังหวัดอุดรธานีรับมนตรีศาสนาไม่เคย ปรากฏเป็นความเรื่องในแต่โลกถ้าจะนั่งคู่ปฏิบัติพระปัตานาจึงไม่เคยปรากฏแม้มีความเย็น ง, องนอกจากในปฏิบัติให้คิดจากของศาสนาธรรมรรม ไม่ว่างราวะไม่ว่านักถ้าเป็นผู้ตา้งใจปฏิบัติตามศาสนาธรรมวามประพุทิเจ้าและตามปฏิติกำลังความสามารถแห่งเพียรและไหวของตนยอมจะยินดีประโยชน ตามการกันติดกรรมศาสตร์ธรรมหมายถระหรือ คนครต่อหาเป็นรัาของพระพุทธเจ้าบมญความใครย่อมมีได้ทั้งใค่หวังแลนักบุญดิีชาไม่ดี ผลจะปรากฏขึ้จากการปฏิบัติจริงไม่เลือนจากชั้นหลังหลังและเพือผู้เพราะอาสนะธรรมไม่กลืนเหมือ น, น, นลพพหลังโลกจึงจะเข้าเข้าพอพอรับคนรับชั้นคนนี้ มีความแข็งแกร่งเสมอผลงานเสร็ไอทีอาชีพครูหลักความจิงหลักที่เป็นคือยึ ท, ทนียขอ ง, องผู้ ม, มีความรุมระลึกภูมิ่มเประต้ความตึของจิเลือก้าวหน้าขึ้นไปจะได้ยุดเีหลักของรประพุทจามาปฏิบัติเพื่อก้าวไปคือความเจริ การิที่เป็นประสงแต่เพราะอย่างยิ่งเราทั้งหลายจึ่งเป็นนักบวดและเป็นนักปฏิบัตินียเลยจึงไม่ควรเห็นสิ่งใดถ้าเป็นของมือคุณค่ายิ่งกว่าศาสนาธรร ที่เราปฏิบัติเพราะการที่เลื่อนไหมของพระอยากให้พาดเคพื่อนจากความเป็นพระไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นของหาใด น, นักเหมือนอย่างคำว่าหาพระพระคำหอกพระเปรย์บกเปรย นั่นท่านจึงให้นามออกพระพุทธเจ้าพระธรกมพระสงฆ์พุทธะของพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธะที่ประเสริฐธรรมะก็เป็นธรรมะที่ประเสริฐสังฆะก็ประเสริฐเมื่อเราได้ก้าเข้ามาอยู่วงแห่งศากตพะยาบุตรคือเป็นพระของพระพุทธเจ้าแล้วทรงทําตัวให้เป็นผู พระส่วนไปตามเทถระทำพระธรรมนั้นจะไม่ประส่วนมากก็เริ่มให้เป็นผู้ประเสริฐเป็นลำดับเรื่อข้อปฏิบัติของเด็กวันนี้ก็ได้ขนาดนี้วันนั้นก็ปฏิบัติได้ขนาดนั้นมีความแน่นแวของจะกลายเป็นความประส่วนขึ้นมา อย่างเด่นชัดภายในตวการสังสมทีละเล็กทิฏะเล็กธิระ น, อน้อยอยากเข้าใจว่าตนของไม่สำคัญไม่ว่าการสังสมความชั่วและการสังสมความดีย่อมจะมีกำลังขึ้นด้วยกัน ถ้าพยายามสั่ ง, งสมสมเสมอเรื่เอเสียตึกระขาดรักขาดตอนในห็นแห่งการจะทำดีและทั่นนั้นผลดีและทั่วจีิระขาดรักขาดตอผู้ที่ทำทั่วนตนก็ไม่ทำเป็นที่ให่ ทำมานันเล็ดมันลอยเป็นกลายเป็นมีสายความชั่วเขาฟังกินกัคนนั้นทั้งคนก็กลายเป็นคุณชั่วเนื้อจะไม่ทำความชั่วเนื้อขนาดนั้นตัวของเขาเองก่็ฟังอยาพิษคือความชั่วไว้ในตัวปวดท้างและขว่ามีแต่การจะสอบแย่งหาความชั่วทั้ง นี่คือความเคยชินของหยิบที่ได้สั่งสมความชั่วมาเพียงเล็กนอยจนกลายเป็นคนช่วทั้งกายทั้งใจและตลอดเวลาด้วยคูอจะพยายามสั่งสมความดีก็มีระยักษ์เช่นเดยกันเราทุกท่าน ไม่ใช่เป็นคนฉเฉลียวฉะลาดปราศจากวิเลิอาศสละนะซึ่งเป็นเิ่งให้งงรอมมีวิเลิอาศสละนะอันเป็นเหตุให้มีความโมโแสองอยู่หรือรอบร้อมอยู่ภายในจิตใจด้วยกันแต่ต่างท่านก็ต่างมุ่งมาเพื่อชนะท่าทางตนเองแม้ในเพศกรารวาดก็ควรจะบำเพ็นได้ ตามฐานละแต่ถึงเช่นนั้นก็ยังไม่พอใจแลวมางท่านก็มีราชการจะต้องทำอยู่เป็นธรรมาดาก็ยังลาจากนาทู่นั้นเข้ามาบวดในพระสังานานเพื่อจะเป็นความสะดู ในการปฏิบัติตนและเพื่อเรื่องรักความเพียนให้ยิ่งขึ้นใจเป็นลำดัที่นีออกบว่และบมเพ็นตนเป็นนักปฏิบัติให้เห็นแต่ความเหนื่อยยากลำบากที่ยู่เพียรใสใจเพื่อขบยัน้า้สอยต่างๆ เร่องเ่ออย่างของพระพุทธเจามาบำเก็ดทุทธภรนีน้การกระันเนินตามเรื่องอย่างของพระพุทธเจาย่อมเป็นของลำบากไม่น้อยถึงอย่างนั้นท่านนักปฏิบัติผู้หวังตามเด็จพระพุท ธ, ธิจาย่อมไม่ถือเป็นความลำบากในสิ่งที่กล่าวมานี้ ที่ได้สลักต้นออกมาเช่นนี้นว่าเป็นสิ่งที่สลักได้ยาขอพราะทุกชิ้นที่เราถือว่าเป็นของเยาว่าเป็นของมีคุณค่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นของมีคุณค่าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่จะสลักยึดต่อวังไดเอย่ากไม่ว่าทันวาได้ แต่ก็ยังอุตส่าห์เผยจิดเผยใจออกมาคือเรื่อสลักออกมาได้กลายเป็นนักบุญในพุทธศาสนาบุงเป็นเช่นนี้แล้วตรงคำหนึ่งถึงภาวะแห่งความเป็นสักของตนอย่าให้น้อยลงในทางของ้อปฏิบัติคือหลักของพระธรรมวินัยความเป็นดีทุกๆ ก, กรราณี ที่เราจะนำมายียยารักษาผัดขันของเรายอมเป็นขึ้นมาด้วยหลักธรรมของพระพุทจาก่านนั้นนิพนขึ้นมาเพราะอานาจแห่งประพุทธจ้าพระธรรมระสงฆครอบกายครอบใจของเราเราจึงเห็นว่นาเราดูใต้ร่มเงาของพ ร, ระรัตนตรัย อาณาญาณใจเป็นของเด็นเราจงพยายามทําตัวของเราให้เป็นผู้เย็นดูการประพฤติทางกายทางนตาและพฤติทา ง, าททา ง, งจิตใจไปที่ไหนให้มีครูเป็นเครื่องัำสอนตนอยู่อย่าไปได้วยความอยากโดยไม่คํานึงถึงหลักธรรมของประพฤติธรรมและไม่คานึงถึงหลักคดีในที่จงมันอยากไป ควอยากว่ามีด้วยกันเพราะกลิ่กดดันภายในที่ให้ชีวะวิริมีอยู่ด้วยกันเรื่องความอยากจะปรฏิเสธกันไม่ได้ไม่ว่ า, าสัตว์บุคคไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่านักบวชคารว่าจะต้องมีความอยากอยู่ด้วยกันแต่สําคัญที่ผู้หนึ่งไม่มีทำเครื่องบงังคับจุดสน พลมตะลึงยืนปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องอยเดินปล่อยให้เป็นไปตามยถ า, ากรรมคนที่จะเป็นเลยนับถึงมาก่อนสมมติสมห ม, มายตามทิ่ใจได้ตั้งเอาไว้ลมลุก ค, ครุกครันอย่างที่เราถึงทั้งท่านและเรา้คนคนหลักทํา หลักดีในเป็นเรื่องสำกับรักษาเรื่อว่ามีเขตมีแดนละายไหนก็เอาใจหลักทำดีในเป็นร่้วกันรักษาความปลอดภัยมลให้ความเพื่อเกิดขึ้นทางกายวาจาใจผู้นั้นก่อกายเป็นจุดชื่อว่าอยู่ร่วมงางแห่ ง, งศาสนาด้วยความสุขการจะมีจะตนนั้นไม่เป็นของสำคัญทรกนี้เป็นโลกที่ต่างได้หาด้ ท่ามีความขายันหมั่เพยรพอพอเป็นไปแล้วเราเป็นบบนักบวชเ้าก็ศักฉลาไม่ได้มุ่งประสงค์จิตดัน่นอกจากจะอาศัยชาวบ้านไปวันหนึ่งวันหคอยังชีวิตให้เป็นไปและได้บำเพ็ญตงเพื่อความจริงยืย่งเหยงภาในตงและเพื่อประโยชน์แด่โลกที่เขาไม่มีโอกาสจะได้บัเพ็ญเหมือนหนึ่งเราเท่านั้น เขาได้รับความรื่เนเริงจากเราเพืมีความรื่คุณิงและด้วยขอบตาที่อันดีมาในหลักของสาวกของพระพธธุทธจ้าท่านดำเนินไปอย่างนี้เราคูดจะดำเนินตามเนินแห่งพระพธธุทธจ้าตามเนินแห่งธรรมตามเนินแห่งสาวกกอโปิดได้ทำเลยถึงเรื่องตัวของตัวยึดโยกกับหลักธรรมที่ไหน ม อ, อย่าให้ค า, าดเคือนหรือห่างไกลจากกายวาจาใจของตนความอยากเมื่อมีสิตตัดลองอยิดขวางขาไอ้เสมอยอมจะไม่ตป็นไปตามอำเภอใจของเขาได้เรามีทางที่จะแก้ไขได้และมีหวังที่จะทำความอยากเ่นั้นที่เคยอังแกจิตใจของเราอยู่ให้หายทะลไปได้ ด้วยอำ น, นาจแห่งการต้นผ ล, ล, น อ, ลอุดมด้วยดั่แปลกอวลกิเพราะความอยากไม่ใช่ผู้อื่นใดนอกจากเราผู้ไม่มีหลักเหตุผลเป็นเพียงรักษาธนรมจะทําความอยากของตนให้กำเ น, นิดคือส่งเสริมความอยากของตนให้เป็นไปตามอำ น, นาจในท้ายยางท่านกลางเสงฆ่าเอาไว้เมื่อเป็นผู้มีหลักทำนินัย ซึ่งก็เหมือนกับทำนบติดกั้นแหล้งน้ำเขามันสามารถทำลายทำนบนั้นได้เมื่อทำนบเข้าไปดีวการพยายามคิด yes, อ่านใจตรองในการพูดการทำและความคิดของตนเอง ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายนั่นแหละถูกต้องกับหลักของสมนาดไม่เป็นผู้ผาาโผนมรูอเป็นไปด้วยอำ น, นาจของหลักธรรมจะเป็นผู้มีความงามทั้งภายในและภายนอกดูกหน้าดีฟังก็น่าังเพราะจิมีความฉลาด รักษาตัวอยู่ทุกทุกขนาดที่เคกิดมาเพราะฉะนั้นหลักประจำธรรมะที่ไม่ควรมองข้ามไปเสียก็คือปฏิเวกณะซึ่งเราก็เคยเจืออยู่ทุกทุกวันหรือปฏิสังขารอยู่ ยี่ทันเรียกว่าหลักปัจจเวกขนาดคำว่าปัจจเวกขณะมีหมายถึงการพุจารณาการพุจารนานั่นแหละท่านเรียกว่าปัญญาหลักของาศาสนาธรรมมีปัญญาเป็นของสําคัญเพราะฉะนั้นคําว่าสัมมาทิฏฐิ จึงเป็นธรรมที่เด็ดในเบญงพระพุทธศาสนาส ม, มาสติส ม, มาฝังกับโภคคิดสิ่งใดขึ้นมนาะให้มีความรอบขอบในความคิดดำดิบเรื่องใดขึ้นมนาะให้มีความรอบขอบในเรื่องนั้นแผ่กระจายออกไปทางหนอกจมมเห็นจะได้ดีถูกดุลลุ่นละ รากฏสินในเข้ามา่างทะวานภายในคือามดมาวีุตุมบทุ่งไก่องต์เป็นผู้ช้าโยมสงฆ์ราิการสัจฆิงทั้งหลายซึ่งเคยถือว่าเป็นภัยจะกลายเป็นธรรมขึ้นมาเพราะอหนาแห่งปฏิสังขายมที่เราได้พิจารณาเป็นประจำดังนั้นขณะที่ฉัน จึงต้องมีการพิจารณาให้มีความแยกลายรู้ความหมายในอาหารที่เราจะนำมาบาบัดเยียวยาอาหารนั้นจะกลายเป็นคุณต่อธาตุขันของเราด้วยจะกลายเป็นธรรมต่อเลี้ยงจิตใจของเราเพราะอำนาจแห่งปฏิจัง้าอยู่นั้นด้วยเราจะเป็นผู้ไม่ติดในอาหารไม่ติดใน เคื่องมือขอไม่ติดในสถานที่ไม่ว่าดีชั่วไม่ติดในยาพุพิธประเภทที่จะนำมาเยียรักษาฐาตุขันของอีวานบินทบาทเลนาชนะกิลานเทศะทั้งสี่ประการนี้เป็นของประจําทั้งทางโลและทางธรรมและเป็นของจำเป็นด้วยกัน ทั้งคารวาและนักบตลอดสัาหทั้งหลายดางกระเทศก็ยังมีความจำเปิดเปิดสักครบนธรรมทั้งสี่ประเทศนี้ครโดยพิพรารณาปฏิสังขาโยระจำตนเนี้ยย่อมไม่มีความตื่นเต้นในอาหารการทาน ไม่ติดรถติดชาติไม่ทะเยทยานไม่แสดงอาการไม่พอพอุปโภตัดในอาหารที่โลกสมมุติว่าไม่ดีแต่เป็นของที่ควรแก่ทานขันหรือหลักของก่าธรรมเนี้มและควรแก่โรคภัยไม่เป็นการแสลยเมรานรับทางไปเลยเป็นผู้ไม่แสแดงความรุ่มรุ่มอาการรุ่มรุมดอนดอ นั้นเป็นความเสมอภาคในสภาวะทั้งหลายที่จะนาํามาโ่วยาผานขันของตนมีเรียกว่าชั้นแบบสมณะเป็นดังนี้พิจานณาแบบสมณะเพื่อทําความเข้าใจกับอาหารทั้งหลายไม่ว่ากับทไ่ใดถ้าเห็นสภาพเป็นความสมอเสมอกันโดยความเป็นธาตหรือว่าโดยความเป็นของปฏิกูล ถ้าจะพูดหลักแห่งความปฐุมคุณแล้วตัวของเรานี้เป็นหน้าผานแห่ความปฐิมคุณดีทั้งตัวไม่มีอวัยวะส่วนใดแสดงความสะอาดสะอาดให้ปรากฏเป็นทูน่นิยมชนทัอวถ้าเราพิจารณาให้ถึงหลักความดีของสภาพแห่งร่างกายนี้แล้วจะเป็นประโยชนของปฐุมคุทั้งภายนอกและภายในนับสั้งแต่ผิวหนังเข้าไป ตัวสัญญาณพลังร่างกายจาับเต็มไปด้วยสิที่ไม่ผรนกบตนาทั้งนั้นนี่เมื่อธรรมชาติอันนี้ก็เป็นตัวเป็นภาชนะที่ปฏิคูนอยู่แล้วอาหารทุกๆประเภทที่จะนำเข้ามาบัรจุเข้าในภาชนะอันนี้แม้จะมีรถมีชามีสีสันมันนักดีขนาดไหน ถ้าถือว่าเป็นอาหารประเภทที่กระนิบปั่นตรขนาดไหนมาเริ่มเข้ามาคุ้คร้าวกันกับมขัดทวาลซึ่งเป็นเรื่องของปฏิคุณคือน้ำลายหรือมืลฟันทเป็นอยู่ในมีแ้วอาหารเหล่านั้นจะกลายเป็นของปฏิคุณไปด้วยกันเสียทั้งนั้นไม่มีอาหารท้นใดอย่เล็ดลอดออกมากลายเป็นของวิเศษีโสหรือสะอา เมื่อได้ผ่านมุขธรรมาเข้าไปจะกลายเป็นของปฏิกูลไปเลยค่ะยิ่งลึกเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ mm ่ง hmm. ถ <classics> ึงกองของปฏิก hmm. ูลอันใหโตออกไปก็ยิ่งเป็นของปฏิกูลถัาอยู่ภายในก็รวมกันกับของปฏิกูลอยู่แล้วมีู้ปฏิบัติเพื่อจะเห็นความจริงของธาตุ ภายนอกกับภาพภายในหรืออาหารกับร่างกายที่เข้ามาปรสานกันกลมกลืนกันเข้าแล้วเป็นลักษณะเช่ น, นี้ขึ้นมาเมื่อเราได้พิจารณาเห็นชัดเช่นนี้ทั้งภายนอกทั้งเข้ามาสี่ภายในทั้งออกไปคือเงื่อนเปิดกับเงื่อนกลางและเงื่อนปลาย มีความสมครเสมอกันด้วยการพิจารณาเช่นนีแล้วอยู่ที่ไหนก็มีความสะดวกการสม่ำเสไม่ติดข้องพัวพันไม่แสดงความีินดีล้ายขบหารการเมือเพิไม่ว่าจะเป็นประเทศใด้มีกล่าวถึงเรื่องอาหารเมกลาถึงหนึ่งดีวอน ที่ให้ชื่อเรียงลຽງมากทีเดียวคืคเครื่องนุ่งหง่มการที่ยังไม่เข้ามาสวนในร่างกายของเราถ้าทุบตุ้นก็เป็นท่าดีสันรี่สันมันลั ก, ก็มีอยู่แต่เมื่อเข้ามาคุ้มค้าบกับส่วนแห่งร่างกายซึ่งเป็นก้อนปฏิกูลอยู่แล้วต้ออาศัยการสั้างเกาะอยู่ตลอดเอ่ะไม่เจนนั้นก็จะ รู้ไม่ได้เลยจึิงก็ส่งฟุ้งออกมาซึ่งเป็นสีที่ไม่น่ากลนาหาผิวสัสนมันนักของผ้าคนไม่น่าดูไม่มีความนิ่มนวลเอกราเป็นหน้าขยับเฉยทั้งใจหมดเมื่อเราพิจารณาเห็นชัดในเรื่องส่วนห่งร่างกายของเรากัดสีที่จะนำมานุง่งผ่้ทั้งสองด้านนี้ เ, เราก็มีความทะเยอะยาน ทั้งส่วนในร่างกายดูยทั้งส่วนของสิ่ที่จะมาคุกค饶ด้วอมานุ่งห่ม น, นั้นดูกลายเป็นความสมัครเส ม, ส ม, สมเอเป็นผู้เยือกเย็นไม่คิดข้องผัวพันทั้งอาหารการเกดฉันทั้งกระโดนกีวนเครื่องนุง่งห่มที่อยู่ที่อาศัยเราเขาย่อมมีนักษณัเสนนเยอะกว่า ที่อยู่ที่อาศัยประเทศใดเสนาสนะประเทศใดกําเนุดขึ้นมาจากไม้จากดินจากเหล็กซึ่งเป็นธาตุเดียวกันเมือเป็นกุฏิปลูกขึ้นมาเป็นบ้านก็เรียกว่บาบ้านภาเป็นคราวาสก็เรียกว่าบ้าน้าเป็นถระก็เรียกว่าดีาาแต่ก็ให้ชื่อแต่ต่างๆกันเท่านั้นเรื่องลักษณะ ของบ้านและตุ๊ดีนั้นแล้วแต่ใครจะทำตามความชอบใจของในช่างฤทธิ์ของตนเองผู้ปรารถนาใช้ใจรูปร่างของตุ๊ ด, ดีดบ้านก็ตามสดขึ้นมาตามแดดแสนแสงถังที่ถูกวางเอาไว้เมื่อคุณฤทธิ์ยังอยู่ในบ้านนั้นบ้านนั้นก็ต้องมีชำระสะแสงไม่ถึง น, นั้นก็ไม่สอาด เคราะตัวของเราไม่สะอาดที่นั่นน่ยอาหารก็ไม่สมอาดสาดตัวของเราเก็ไม่สะอาดเต็มไปด้วยมุกเดือดปุที่ภายในตัว ไ, ไปนั่งไปนอนในสถานที่ใดสถานที่นั้นแม้จะเป็นของสะอาดมาแต่ดั้งเดิมก็กลายเป็นของตกครกตกตกตกขึ้นมาต้องเล็งสำรักสังข์ขวบถูเสมอที่นั้นก็ตกครกตกต้องเล็งระมัดระวังรักษาตัวของเรา เนี่ยจะทายนักทายเต้าก็ต้องหาที่หาทางไม่เช่นนั้นก็จะทําบ้านเรือนของเราให้กลายเป็นซุ่มขึ้นมาอียินเป็นของสกคบไกให้น่าดูเลยเวลาพิจานาเช่นนี้เรียกเราเป็นผู้มีเป็นสังขารุบเมื่อเรายาังมีชีวิตอยู่เราอยู่ในบ้านได้อยู่ในกุดีก็ให้ชื่อว่ากุดีเวลาตายแล้วพอเอาม่ามาใส่ ทำเป็นอีเป็นโลงเขาไม่ได้ว่า ก, กุดีไปแล้เขาว่าโลงผีมันก็ไม้อันเดวกันให้รูปแตกขนาดนั้นเราอยู่ในกุวดีกับในโลงมันก็ผิดกันตลอดคนที่มีชีวิตอยู่กับคนตายแล้วถทานะเรื่องจริงที่มาบรรจุเรานั้นมันเป็นธาตุประเภทเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเมื่อผู้พิฒนาเช่นนี้แล้วย่ำไ ม, มา่ิแล้วก็านที่ อยู่ที่ไหนก็อยูไปถึงการจะไปเข้าไปโดยไม่มีความอาลัยเยย์ได้กับสิ่งนั้นเพราทั้งหมดนั้นแหละทั้งเขาทั้งเราวคุณทั้งกุดดีสถานที่อยู่นั้นก็จะต้องมีการสลายตัวไปเช่นเดียวกั น, นท้องโลกนี้เป็นโลกอนิจจตัวเราก็เป็นจดังสิ่งทั้งหลายก็เป็นอนิจจแปละจะทาพไปตามการตามเวลา เราไม่มีความผิดผันในสีน้ำมีแต่หน้าที่จะบำเพ็ญเป็นของตนให้มีความสะดวกการสบายใจแม้มาียาแก้ไ ข, ขก็มาแก้ที่ขาดคล้องเราเน้เราไม่มีความเพิ่มเกิดย่นหนในยาเทนัเพียงนํามารักษาซึ่งควรจะรักษาไดา้ดีถึงการถึงข่าวลวิสัยแล้วก็ในวัดหรืป่าดามที่ไหนก็ไม่สามารถจะรักษาแม่แต่หมอเองก็จะต้อง มีลักษณะเช่เนเดียวกันกับคนไทยทั่วไปเราพิจารณาเช่นนั้นเราก็มีความเะะระิดเพลนลื่อนน้อยอดน้อยใจเวลาเก็บไขในป่วยขึ้นมจะมีวิธีพยยางรักษาต้นโดยธรรมะโอสถหรือธรรมะภายในพิจารณา เ, เรื่องนี้จังทุกข์ของอาปามีอยู่ทุกแข่งทุกส่วทั้งในบ้านนอกบ้านทั้งกายทั้ ง, น, งนน้าทั้งบนบก ยิ่เดินไปโรงพยาบาลจะเห็นตั้งแตเรื่องกองทุกข์นสวนกันไม่มีที่ไหนจะมากเหมือนคนในโรงพยาบาลแม้แต่ในงานวัดบางแห่งก็ยังมีคนมากเท่าคนที่หลังไหลเข้าออกในรถจากโรงพยาบาลนั่นหลยคนไข้เพียงคนหนึ่งคนดีไม่รู้มีคนที่เป็นเพื่อนทุกข์ของคนไขย ตามวันเข้าไปตามวันออกมาวันยังคําคุ้มยังนึ่มปรากฏว่ า, าม่มีการหลับนอนกันในโรงพยาบาลนะเราให้พิจณาดูเพื่อเป็นเครื่อตรงธรรมศาสตร์สมบัติเราจะได้เห็นว่าันโลกอันนี้เขากับเรามีลักษณะกเช่นเดียวกันและจะได้เห็นว่าถ้าเรายังมาเยือนว่าตายเกลีดยดที่ในโลกนี้จากไป เกี่ยวกับกองทุนหุ้นใจเปลี่ยนมาตามที่เราเห็นอยู่ทั้งเขาทั้งเรานี่ยจะไม่มีการบกพร่องเป็นอยู่เช่นนี้ตลอดไปเราเขาจะเป็นเช่นนี้เพราะเขาก็เป็นเช่นนั้นเนื่องจากทาาเป็นท่าทันเดียวกันมีปรากฏขึ้นมาแล้วต้องแต่สงารัมดไปดูนับเป็นนับปฏิบัติแล้วต้องพิจารณไปที่ไหนมองดูอะไรอย่าให้เกิดขึ้นควาหน้าแห่งความเพลิดเพลินซึ่งเนื่องมาจาก คมเข้าใจผิดของะเด็ชคิดให้เป็นกลางตเดชแม้ฝังอยู่ภายในใจก็พุ่งออกมาเพราะมีคิดเข้าไปรบกวนแต่ถ้าชาอุบายโยมิโสมนณาจารยตามที่กล่าวมานี้ตเดชจะอยู่ภายในคอนักบันจัน้อยถอยลงเป็นลําดับส่วนที่จะเกี่ยวกับปีนภายนอกก็ไม่สามารถจะแก้ปิดเขาได้เพราะอํานาจแห่งปัญญาเป็นลวกกันเหม็นหนามันขบพิจารณาอยู่เสมอ รับรู้สิ่งใดให้มีผลประปล่อยให้จิตใจของเราคลื่อนทัดแต่ตามความรู้สึกของตัวเองมีปัญญาคอยเป็นผู้เลี้ยงตามรักษาจิตใจให้ปลอดภัยไปวันหนึ่งวันวนึ่งจิตจะได้มีความเจริญเรื่องเลี้ยคที่คำว่าจิตคือความรู้สึกทึ่งมีอยู่ภายในจิตใจเท่ยกันไม่ว่าศับท์และบุคคลแต่ไม่สามารถจะแสดง อำนาจวาสนากำลังออกมาให้เต็นที่ได้ก็เนื่องจากจริงกดดันหรือบังคั บ, บจิตใจไม่แสดงดูออกได้ตามใจหนักเช่นเรามองเห็นสัตว์จนสุ น, นักเป็นต้นแท้จริงเขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับเรา แต่ทำไมร่างเขาเป็นเป็นนั่นและลายลงไปเป็นจัตที่ต่สร้าเนี่ยก็เนื่องกับเรื่องกดดันภายในนั่นเอ ง, เองมันทำให้เป็นเป็นนั้งจิตเนี้ยจะมีอำนาจภาชนาอยู่ภายในตัวแต่ถึงคราวกรรมที่ ตนได้สังสมเอาไวา้ตนตายตัาเข้าครอบงามีอำนาจมากก็สามารถจะบผักกานจิตใจให้เข้าไปสูกระเนิดเกดในรูปร่างอันไม่น่าดูน่าทนอันเป็นที่น่าอาศจารแยงเป็นรูปร่างของสัตวเป็นตนนี่ก็เพราะกรรมที่ตนทานไว้ไม่ใช่คนอื่นคนใดทําให้ทั้งนั้นเราเป็นคนให้เห็นโภคน กรรมของตทําทด้วยความไม่รู้และทํำด้วยความอยากโดยไม่มีการหักหาก้างนในขณะปัจจุบันเราเป็นนักบวชและรู้ได้ทุกด้านทุกทางว่าผิดกับถูกเป็นอย่างไรเราก็รู้เมื่อทําผิด็นไปแล้วจะเป็นผลเสียหายอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ทําดีจะเป็นผลดีอะไรเกิขึ้นเราก็รู้เราควรจะมีใชกรรมพั น, นตัวของเราโดยอาศัยข้างนอกบ้างภายตัวของเราบ้าง เป็นเคื่นงท่ามสอนอีกทีเราเห็นคนดีคนชั่วกัดดีกัดชั่วแล้วก็นำมาสอนตนเลงและความคิดของเราที่เป็นจะในแง่ไห น, นจะเป็นทางดีทางชั่วเราต้องตามจะมาระวังรักษาคอยจับสอบ้องดูให้รู้เรื่องความดีความชั่วและเป็นไปจากตัวเมื่อรู้เช่นนี้แล้วผู้นั้นไม่ค่อยจะมีความเผิดหานเกิดขึ้นทั้งส่วนร่างกาย คือทั้งส่วนกายและ่างกายกระดอกถึงปีจิตใจจะเป็นความเจริญยิ่งยวดเป็นเป็น น, น้ถึงวันนี้ดาติบาถึงเรื่องปฏิสังขารอยให้บรรดาทาั้งนับปฏฐมทั้งหลายทราบหลักไม่ใช่ทำเล็กนะ้อยเป็นธรรมที่าาลึกซึ้งสามารถจะรู้ฟื้นสิ่งที่นีนับภายในปีจิตใจให้หมดอำาจเป็นลำน้ำเพราะอำนาจแท้ รูปสังขารอยซึ่งเป็นองค์ปัญญาทายนอกซึ่งเป็นของลีกลับต่อปัญญาซึ่งเรายังที่เรายังไม่รู้ก็จัะเปิดเผยขึ้นมารา่หน้าของปัญญาที่ปรากฏตัวขึ้นมาภานในใจของเราลูกเสียงกิ่นรสซึ่งเคยปิดตังความรู้ความเฉลาดยของเรา กลายไปให้เป็นของหนุนนักสูงชัทั้งหลายก็จะเปิดโผยขึ้นมาเพราะานา่นเป็ปฏิันธ์ของผูกชอบค่าครื่มีมิีนขอให้เราทั้งหลายได้ทไาบป็นเรื่องหักของปเกคณะทําถ้าเราเป็นนักปฏิบัติไม่สามารถจะปฏิบัติปจะเวกคณะทํ า, าได้เลยไม่มีทางจะยกตนให้พ้นจากทุกข์ได ทำสินใดตรงให้มีหลักเหุป ร, ประจำตนทุกๆอยกาอย่าให้ความอยากไปมีอมนาจยิ่งกว่าหลักเหตุผลที่ผมพยายามฝังสมุ่งปรับปรุงอยู่จะทำหลักเหกถึงนั้นซึ่งเป็นเรื่องของธรรมให้ล่มละลายไปจากการจป็นโลกล้วนขคือ น, นาทานาจิเข้าลน็นเองให้นับความเดือดร้อน ดูที่ไหนจะไม่มีความสะดวกายสบายใจเลยแินกว้างแสงคว้างก็จะกลายเป็นความครอบแคบขึ้นมาภายในหัวใจของผู้มีที่เรียนห้อมล้อมเท่าหล่งดีการปฏิบัติทางจิตโดยเฉพาะขอให้ฝึหลักสติกับปัญญาคนคว้าลงภายในกายของตน จะเห็นหรือไม่เห็นไม่เป็นของสําคัญเพราะความประหนักภายในใจทราบหรอยู่แล้วว่ากายมีอยู่จะเห็นหรือไม่เห็นไม่ได้สูญหายไปไหนจินปฏิทูคูณโสโครทั้งหมดมีอยู่ภายในกายหลักของตรายลักษณ์รือนิจังทุกขาตามีอยู่กับกาย น, นี้ไม่ได้นอกไปจากนี้เลยเพราะฉะนั้นกายกับใจจึงสมบูรณ์ด้วยไตรลักจึงสมบูรณ์ด้วยถ้าจะทำทั้งสี่ ทุกนิโรธทุกสมทยนิโรดไม่ได้บกคร่องนอกจากเราจะไม่นำมาใชา้เท่านั้นทำเหล่านี้จริงจะไม่เป็นประโยชน์นสำหรับเร า, าพาระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อริยสัจจะทำรทนสติปัฏฐานดีคนไม่ปรากฏว่าพระองค์แปดขอหยุดยืนมาจากผู้ใดมาพิจารณาร่างกายก็มีอยู่ในพระองค์เวทนาก็มีอยู่ในที่นั้น ทั้งสทั้งทุกทั้งเท่เทียวจิตก็มีอยู่ในพระองค์ธรรมก็มีในพระอง์การพิจารณาให้รู้เรื่องการเวจนาจิตธรรมก็อยู่ในพระองค์ทั้งถูกถึงเรื่องสติปัฏฐานสิทั้งถูกถึงนังกัจธรรมคือทุกข์ก็มีอยู่ในพระองค์ในวัฏทุกข์ทางกายในวัฏทุกข์ทางใจสมุทัยคือความพุงเปอที่ฝังตมอยู่ภายในจิตใจก็มีอยู่ในใจของพระโพธิญามากคคือข้อปฏิบัติ ที่จะสามารถผดถอนสมูลไทยอันเป็นเชื้อแห่งทุกทั้งหลายนั้นก็มีอยู่ในพระองค์คือศีลสมาธิปัญญานี่ทันเบียกวังมักคอกือยาด้วยหรือ น, านา้ำสะอาดสนันหลักเข้าไปล้างสิ่งตกโต้โครกซึ่งมักหงอยอยู่ภายในใจของเราเมื่ออาศัายน้ำที่สะอาดคือศีลสมาธิปัญญาเอ้าไปชำระ เป็นน้ำหนักน้ำหนักนะครับใจแม้จะเป็นของสตกับโตโครกด้วยกันทั้งหลายที่กล่าวมานี้ก็จะค่อยกลายเป็นใจที่กลาวขึ้นจนสามารถเป็นพระโพธิจารยขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์นี่เราทั้งหลายมีสภาพเช่นเดียวกับพระโพธิจารไม่มีอะไรติดแปลในปฏิปัฏฐานสี่ข้ในอเลสสัตยธรรมทั้งสี่ข้อดีมิจะผิดกันอยู่บ้างในขณะนี้ก็คือข้อปฏิบัดแปลกยังไม่ ถึงขั้นจะสามารถไหค้นกับทุกข์ไปได้แต่ก็ตรงกันที่ว่าเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังและพยายามบำเพ็ญตนให้เต็มใจตามแสวงธรรมะคือจัจะทําทั้งสีและสี่ฐานสี่ที่ไปโองค์ท่านเป็นผ่านไปแล้วด้วยความเต็มใจของตนวันหนึ่งเราทั้งหลายต้องประสบพบเห็นแดนแห่งความทุกข พราอำนาจแห่งปฏิปฐานและปฏัตธรรมทั้งสี่ที่เรานำมาปฏิบัติให้สมบูรณ์โดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นในวว่งสาในพระธรรมเทศนา้อนบนอยวางนีภาพในอ้นเล็กประทุมประภัยอางร้อมปฏิบัิธรรมนเจงมากคุ้มครองรักษาธรรมานให้มีความสุขการปฏิบัติและปฏิบัติได้ในวความสะดวกสบายถึงความมุ่งมายธรรมานโดยตัวหนาตันทื